เดี๋ยวนีพระสงฆ์อาพาธมีอยู่สามดเตียงแต่ทางว่าช่วงมากก็มีอยู่บ้างแต่โดยมากก็ไม่ค่อยจะเต็มเท่าไหร่หรอกประมาณที่ี่สิบกว่ากว่าสามิเนี่ยแหะแต่ไม่เคยขาดจะปีหนึ่งจะมีการทอดผ้าป่าครั้งหนึ่งอันคขาวนี้ก็จะทอดบนันที่17มิถุนาที่จะถึงนี่นแหละกะนิมนต์พระสงฆ์ครูบาอาจารย์ในภาคอีสานนี่หรือภาคไหนก็ น, นิมนต์มามาแล้วก็จะไปตรวจสุขภาพก่อนระดับแรก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 ทางหมอทางพยาบาลทางหมอประชุมกันก็าถามว่าลุงพ่อจะให้พวกผมรักษาอย่างไงอย่างมะเร็งอย่างเงี้ยหรือว่าโรคไตยอย่างเงี้ยจะให้ทางโรงพยาบาลจะใช้เงินหมูลิธิขนาดไหนใช้จนหมดหรือว่าใช้อย่างไงหรือว่าใช้ขนาดไหนจึงจะพอเหมาะหลวงพ่อก็ให้ความเห็นว่านี่นะในฐานะ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 ไปช่วยกันมากพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์พระสงฆ์หลวงพ่อวัดต่างๆบางที่ก็เนะ่ยลูกน้องลูกศิษย์ลูกหาของตนเองเวลาป่วยเข้าไปจะได้เอาไปนี่แหะส่งเข้าไปในศรีนครินฯอันนี้ก็คือทอด้าป่าที่หลวงพ่อยื่นให้เมื่อกี้เนะนี่ยนี่แหละภาพปาโรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแก่นแต่ช่องโ ร, ง, รงพยาบาลอุดรของเราเท่านั้น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 เพราะเหตุว่าเราระลึกถึงพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าได้จัดสรุ้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันเตือนเหเพนปีหนึ่งก็มีครั้งหนึ่งครั้งนี้ก็เป็นพศออ2555ปี2555ต่อไปกับปี2556มันจะเลื่อนไปเรื่อยๆปี55เนี่ยพระพุทธเจ้าได้ สัจรูมาสองพันกว่าปีเป็นวันสำคัญแล้วก็พวกเราจะปฏิบัติตนอย่างไรในวันสำคัญเช่นนี้จะรักษาศีลอย่างไงจะภาวนาอย่างไรจะปฏิบัติตนอย่างไรอย่างน้อยคารวาดอย่างพวกเราท่านทั้งหลายก็ควรจะทำบุญทำทานอย่างน้อยก็ถ้าว่าไม่มีวัดวาศาสนาก็ควรจะไปกราบพ่อแม่ของตนเองพ่อแม่ของเอ็นเป็นพระหันในครอบครัว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 ทั้งพิกษุณีทั้งหลายเขาก็เลยมากราบเรียนท่านพระหุนว่าแม่กำลังป่วยอยู่ลมเสียดในท้องแต่นี้พระราหุนก็เดินเข้าไปคาอยองแม่พ ร, พระแม่เจ้าพอเข้าไปพระแม่ก็บอกว่าเออลูกแม่ปวดท้องอย่างแรงแต่ถ้าว่าอยู่ในเวียงวังสมัยก่อนแม่ก็จะดื่มน้ำ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 พระราหุนเป็นลูกชายก็บอกไม่เป็นไรคุณแม่เดี๋ยวผมจะไปหานะพระแม่เจ้าก็า่า้อย่าได้หนักใจนะลูกนะนี่นะ่นะนะนะอันนี้ก็คือเป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านทนทุกข์ขนาดนั้นนะถึงราดธาตุขันแต่ใจของท่านไม่ได้ทุกแต่ธาตุขันของท่านเนะี่ยทุกจากนั้นพระราหุนก็เดินออกมาท่านเอ๊ท่านจะไปหาใครคือทั้งที่ ภาษาลิบุตก็เป็นพระอุปชาของท่านพระราหุนนะแล้วก็พระโมกคลาก็เป็นพี่ชายใหญ่พระอนนท์ก็เป็นน้องของพระพุทธเจ้าแ้่พระพุทธเจ้าก็คือพระบิดานะท่านก็ไปหาภาษาลิบุตไปยืนอยู่ภาษาลิบุตมองเห็นเอ๊ะลาหุนทำไมมาอะไรวันนี้ผิดปกติพระราหุนก็บอกว่ายมแม่ไอ้คุณแม่ของกระผม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 พอสว่างเป็นวันใหม่ภาษาลิบูตก็เป็นผู้พานำนำสมมาเนรลาหุนเข้าไปในกรุงสวัสถีพอไปถึงกรุงสวัสถีแล้วก็เดินเข้าไปให้พระราหุนอยู่ในที่พักแห่งหนึ่งที่โรงฉันแห่งหนึ่งท่านฉันใชนะรมลาหุนส่วนภาษาริบุต ท, ท่านก็ก็ไปนในเวียงวัง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 พรลาหุนก็ได้เป็นพระอาหารหันต์ท่านท่านออกมาบวชแล้วอท่านอยู่แบบนักพจนักปวดชตั้งแต่นี้ไปเราพยาปัเสนเนี่ยท่านว่าเราจะดูแลเรื่องน้ํามะม่วงเนี่ยที่ท่านต้องการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนี่แหละสรุปแล้วก็คือท่านไม่ให้ลืมพ่อแม่ลืมแม่ถึงท่านเป็นพระอาหารหันต์ ท่านก็ยังให้ล้ำลึกถึงพระคุณที่เป็นผู้มีอุปกรณคุณสําหรับองค์ท่านอย่างพระราหุลเนะี่ท่านไม่ได้ปล่อยปะละเลยท่านให้ความสําคัญพมันดาของท่านอย่างสุดซึง้งถ้าพวกเราได้ฟังได้อ่านได้ศึกษาแล้วเอออันนี้แหะคือบัณฑิตนักปราชญ์ท่านไม่ได้ทอดทิ้งบิดามารดาของท่าน